และการสิ่งใดของท่านนั้นข้าพเจ้าจะอาสากระทําไปตามสติปัญญาจกนกว่าจะสิ้นชีวิตมาเสียวกล่าวเช่นนี้เหนือนกว่ามอบกายถวายชีวิตกันเลยทีเดียวขณะนั้นคุณเขียนรู้ว่ามาเฉียงอยู่กับลอกปีแล้วมซึ่งเขียนผู้นําบรรดาการเข้าไปยังเยืองฮันโป่งไปนอกแผ่เกลียวสมแล้วก็กํากับการในเกลียวส ง, งเหมือนอุบายอยู่ภายในยนี่แหละคุณเขียนะ่ะ เอออยู่ในเมืองหันโป่งนะพรู้ขาว่ามาเฉียวมาอยู่กับเล่าปีแล้วเนี่ยซุนเขียนก็ลาเอียสงกลับมาบอกข่าวทุประการให้แกเล่าปีได้ฟราเอาไปแลุนเขียนก็กลับขณะนั้นล่าปีก็จินตการให้เด่งตัดฮัดจุนอยู่รักษาหนัเกเลยว่าสุดทางบ้านนี้สุดบ้านมาเฉียวนี่ รบมากันเองสาหัสสาคัญ น, นี่ผมเลิกรบกันละไม่ต้องรบแบบย่ยิ่งกว่าชามป์ฟรีต้องเรียกว่ายิ่งกว่าชามปา์ฟรีเพราะได้ตัวแม่ทับมาถานคุณมีที่นู่สําคัญ ม, มาอยู่ด้วยเนี่ยแต่กองทัพมาเพิมม่มเติมอีกด้วยเนี่ยเอาก็จัด ก, การให้เบ่งตัดหากินอยู่รักษาด่านเนี่ยแล้วก็จัดแจงถ้าแก้สารน้ำพวยกลับจะไปปีเมืองเสฉวน ตอนทับรอบปีออกเดินทางกลับมาถึงเมืองกิมก๊กแต่าบางทีก็เรียกว่าด่านกิมก๊กก็ตามเทอะอามาถึงเมืองที่นี้แล้วจูลลงฮองตงรู้ดังนั้นก็ออกมารับรอบปีเข้าไปในเมืองแล้วก็บอกว่าบาัตรมีเหล่าเตียงให้เหล่าหยวนกับม้าหั่นคุมหารมาเป็นอันมากข้าพเจ้าจะขออาสาไปตัดศีรษะมายฐานทั้งสองมาให้ทา่าน จู่ร่องอาสาขึ้นเป็นนี้เล่าปีก็ยินยอมให้ไปจูโร่งก็ขี่ม้าพาฐานออกไปจากเมืองกิมกกได้รบกับฐานทั้งสองฝ่ายนั้นฝ่ายเล่าปีอยู่ในเมืองเนี่ยก็แต่งโต๊ะจะเรียงดูมาเฉียวก็ยังไม่ทันจะแต่งโต๊ะได้สาเร็จหรอกจูโร่งก็หิว้วศีษะเล่าเยือนกลับมาให้แกเล่าปีเสแลวมาเฉียวเห็นดังนั้นก็ตกใจ และคิดว่าตีล่งนายฐานผู้นี้มีฝีมือรวดเร็วนัมาเฉียวก็ยิ่งยำเกรงเล่าปีเต็นอันมากความตอนนี้เพียงสองสมบััินี้แหละนะครับยาขอบท่านเอาไปพรณนาความในสามภคฉบับบริบทของยาขอบ ร่อสุภาพบุรุษเสียงสั่นเขาทำการอันนี้คือทําให้เห็นชัดเจนเห็นความชัดเจนขึ้นมามากทีเดียวเนะี่ยทางอธิบายขยายความให้แก้ชัดขึ้นไปโดยแปลมาสัมผัสฟอดคลองกัะดิจกจ่าฉบับของวิเทเลอร์วักรนาที่เราปีมาถึงเนี่ยก็พอดีกองทัพของอเหล่าหยวนเนี่ยยกมาถึงอาจจะเข้ามาตีด่านกินโกกมือกินกกเนี่ย แล้วจู่งก็ของที่ยาตออกไปหน่อยเดียวดืข้างนี้เราปีก็ฟังจัดโตที่จะเรียนดูมาเฉียวจากการต้อนรับมาเฉียวเนี่ยคือจากโต๊ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จจู่งเสร็จการอันสําคัญของตัวแล้วคือเด็ดหัวเหล่าหยินกลับเข้ามาได้เช่นนี้มาเฉียวผู้ไม่เคยเกรงกลัวต่อใครเลยทั้งสิ้นมาเฉียวไม่เคยยำเกรงใครเลย แต่ก็เกรงแต่ฟิมูจูลงคือนอกจากกิติศัพ์ที่ตอนเคยรู้เคยได้ยินมาแล้วเนี่ยกลับมาเห็นจริงเข้าวนี้บัดนี้เนี่ยเรียกว่าจูลงลงจากกาแพงเชิญเพ็ินชั่วครู่เดียวจะดโตเรียงตัวกันยังจัดไม่เสร็จจูลงกลับขึ้นมาพ ร, ร้อมด้วยศิษย์ศัของเหล้าหยวนชิญเนี่ยมาเฉียวเบนี่ิมูจูลงเขามียอมยําเกรงแต่พี่ยําเกรงนั้น มาเขียวนะยำเกรงรอบปีเป็นอันมากนี่ในที่นี้ท่านกล่าวไว้ชัดเจนเลยมาเขียวยิ่งยำเกรงรอบปีเป็นอันมากก็รอบปีมีทหารฝีมือดีทั้งหลายแหละอย่างน้อยเจ้าทีวิเต้หุยรบกันวันกับคืนหนึงไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะนั่นกองฝีมือจาาัดกรการรอบปีก็มีทหารอย่างนั้นมาบัดนี้เดี๋เจ้ า, จาทหารทูกสุภาพเรียบร้อยอาผู้าจ ย, ยังดีแต่ฝีมือร่วงเร็วเป็นที่ยิ่งแค่นี้ มาเฉียวนั้นก็พูดกับเล่าปีขึ้นทีเดนในปอมเนี่ยว่าอันนีือเงเฟสชวนนั้นท่านอย่าได้ยกกองทัพไปให้ลัมมาแต่ฐานทั้งปวมเลยข้าพเจ้าจะอาสาไปว่ากล่าวเล่าเจียงให้มาอ่อนน้อมแต่โดยดีแม้เล่าเจียงขัดแข็งอยู่ข้าพเจ้ากับมาใต้ผูน้น้องจะคุ้มฐานไปตีเมืองเฟสชวนให้ทาให้จงได้เนี่ยเบเฮตเนี่ย มาเกีวติมรับอ า, าสาการอันสําคัญยิ่งครั้งนี้เหล่าปีได้ความนั้นก็มีความยินดีครั้งเวียนดูกันสําเร็จแล้วทหารทั้งปวงก็ลาไปยังที่พมัทแห่งตนคราวนี้ก็กล่าวฝ่ายทหารที่มาในกองทัพเหล่าเยือนและม้าหันที่จะมตีมึงกินโปกเนี่ยก็เหตุการณ์นี้มีได้กล่าวมากมายเลยจู่ลงลงจะ กําแพงเชิงเทิ น, นออกจากมือแป๊บเดียวตัดหัวเอล่าเยือนเข้ามาแล้วเนี่ยทหารเหล่านี้ก็แตกพ่ายอะสิทหารเหล่านี้แต่กลับไปบอกแกเหล่าเกี้ยงทุกประการละเหล่าเกียงเด็กแกนก็ตกใจฟังปิดกระตูเมืองให้ทหารคุณรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้เป็นมั่นคงมีผู้ถึงมือเสฉวนละ่ะพิริข่าฝ่ายกินกุกเนี่ยคือมาเฉียวนะเมื่ออาสารอบปีแล้ว มาเฉียวก็ลารอบปียกกองทัพไปเมืองเสฉวนหนูก็ตระหกว่ากองทัพของมาเฉียวน่ะคือเป็นกองทัพที่นํามาจากเมืองหันส่งของเปียร์รอนั่นเองแหละออกยกไปเมืองเสฉวนะ่ะทหารบนหน้าที่เชิงเตอน์เห็นมาเฉียวยกมาก็เข้าไปบอกแกเล่าเที่ยงว่าม้าเฉียวยกกองทัพมาตั้งอยู่ริมคูเมืองแล้วเหล่าเที่ยงเด็กแกนั้นก็ขึ้นไปบนเชิงเตอร์ขึ้นไปดูบนเชิงเตอร์ ามาเขียวเรือขึ้นไปเห็นเล่าเตียงยืนบนเชิงเธอมุกมาเขียวก็ร้องเชิญเหล่าเพียงให้เยี่ยมมาออกมาหน่อยข้าพระเจ้าจะเจราจาด้วยเหล่าเตียงที่ยืนนั้นก็ยี่ยมาออกไปก็ร้องถามว่าท่านจะพูดเนื้อความสิ่งใดก็เรื่ว่ามาเถอะมาเขียวก็ประโกนขึ้นไปว่าเดิม เราคุมทหารเตียวร้อยไปทํำสงครามกับเราปีกหวังที่จะช่วยป้องกนันเมือนเสฉวนของท่านฝ่ายเอยวสงก็ยุยงเตียวร้อยมีความสงสัยในเราเราจึงพาทหารมาอยู่ด้วยเราปีตัวท่านจงเร่คิดอ่านยกออกมาลบนอกยกเมืองเสฉวนให้แก่เราปีได้โดยดีอันตรายจึงจะไม่มีมาถึงท่าน ใต้บ้านเมืองก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้ท่านขัดขวางอยู่ตัวเรานี้จะอาสาเล่าปีตีเอาเมืองเสฉวนให้ได้มาเฉียวตะโกนขึ้ไปอย่างนี้ละ่ะมาดูขั้นเล่าปีจะเปันอย่างไรเออจะว่าเราเ่าปีมีกิจาการประการใดอย่างไรก็ตามเถอะนี่จา้าฉบับเจ้าพญาพระครั้หผมนี่ว่าไว้เช่เท่านี้ว่า เลาเกียงได้ฟังดังนั้นก็ตกใจสลบลงได้ยินเสียงมาเฉียวบอกกล่าวเหตุการณ์จบลงโดยสลบเลยที่ปรึกษากับพานน้ำพวงก็ช่วยกันแก้ไขจนฟื้นเล่าเกียงก็ปรดกษาแก้ฐานทั้งพวงระวัาการทั้งนี้เราไม่ได้กึุดกรองให้ตลอดก่อนจึงเสียทีนี่เราเกียงคิดลว่าเสียทีก็แล้วด้วยความหวาดกลัวมาเฉียวมากนั่นเองอะ แล้วก็พูดต่อแบบบัตรนี้ครั้งจะคิดอ่านสู้รบเราการก็จวงตัวถึงเพียงนี้เราเอนดูแก่อนาประชารัฐดรหวังจะไม่ให้ได้ความเดือดร้อนคิดจะออกไปนกนอกยกเมืองให้รอปีท่านทั้งปวงเห็นประการใดเหล่าเกียรยอมแพ้ดอทีเดียวต่างโหที่ปรึกษาคุณก็ตินว่า อันทหารในเมืองเราเนี่ยังมีอีกถึงสามมืนเศษข้าวปลาอาหารก็สมบูรณ์บริบูรณ์พอจะเลี้ยงทัดแก้ทหารได้อีกสักปีหนึ่งซึ่งท่านจะยกเมืองได้แค่รอบปีแต่โดยง่ายนั้นไม่ควรเลยบ้างโหทัดทานคี่แบบนี้เราเกียงก็จริงว่าบิดาเรากับตัวเรานี้ได้มาอยู่ในเมืองเศษชวนถึง23สบสามปีแล้ว ไร่บ้านพรมเมืองก็มีได้ความเดือดร้อนติงใดครั้งนี้เหล่าปียกกองทัพมาตะมันตรายวุ้งเมือขึ้นผ่านเรื่อยเข้ามาถึงด่านเมืองเรารัฐบาลทั้งปวงก็ได้รับความเดือดร้อนมาถึงสามปีแล้วนี่เหล่าปียกมาแต่แต่ว่ามาช่วยเหลาเกียงเนี่ยถึงแับนี้สามปีแนละ้วเหล่าเกียงพูดต่อไปว่าตัวเรามีใจเอ็นดูแก่อาณาประชารัฐดอน ยิงคิดอ่านจะไปอ่อ น, น้อมแก่เล่าปีเจ้าจิ๋วที่ปรึกษาคนหน่นก็จึงพูดว่าท่านคิดนี้ชอบแลยอันนึ่เขาจะเห็นดาวสำหรับมืองเสฉวนหน้าหายไปมีดาวดวงใหญ่ขึ้นมาแทนที่รัศมีสว่างดังพระจัน์มีดาวน้อยรอมเป็นบริวารอยู่หลายดวงแล้วเาขาไปจเจอไปยินเด็กๆในเมืองเสฉวนร้องรำทำเพลงเรื่องว่ดแม้ผูดด้ใดจะใคร่กินข้าวใหม่ จงคอยให้เจ้าใหม่มาครองเมืองเถิดจะได้กินสมความคิดมีเจ้าจิ๋วที่ปรึกษาคนนี้ต่อว่าอย่างนี้ถ้าจะว่าก็แล้วมีก็ไม่ได้มีเหตุมีผลคือว่จะให้แพ้เขาท่าเดียวบรรดาผู้ที่คิดพลอยแต่เจ้าตัวรอดตัวสบาย่ายเดียวก็จะคิดเช่นนี้แหละขั้นอีกวนเหล่าป๋าแต่ฝันก็โกรธ ถ้ากบีบแต่ข่าเจ้าจิงด้วยจีเดียวเหล่าเจียงก็เข้าไปห้ามปรามไว้ก็พอดีคนใช้อ่าเข้ามาบอกแกเล่าเจียงว่าเขาจิงซึ่งเป็นประหลัดเมืองนั้นรอบหนีออกไปเข้าด้ยวยเหล่าปีแล้วเหล่าเจียงได้ยินดังนั้นก็ยิ่งเสียใจร้องไห้แล้วก็กลับเข้าไปณพี่ข้างใหม ในประตูเขามาบอกเราเกียงอีกว่าวันนี้กองทัพเราปียกจากด่านแห่บังควนมาตั้งอยู่นอกเมืองแล้วให้กังหยงเข้ามาหาท่านแล้ว เ, เกียงก็สั่งเปิด ป, ป, ป, ป, ป, ป, ประตูเมืองรับเราปีเข้ามาเลยนายประตูกอกไปเปิดประตูเมืองรับข้างฝ่ายกังหยงนั้นก็ขี่เกวียนเข้าไปถ้ำกลาง ทำกลางเมืองอ่ะถ้าเขาว่าอย่างงั้นไหมครับกินปีเห็นมันก็โกรธกันหยงมากชักกระบี่ออกแวงแล้วก็ร้องว่าแกกันหยงที่เดีวว่ะตัวมึงไอ้ชาต่ตำเหตุใดจึงบางอาจขี่เกวียนเข้ามาถึงกลางเมืองอย่างนี้มึงดีหมินว่าในเมืองเสฉวนนี้ไม่มีคนดีแล้วนี้อกินโอหังก็ทําดังนี้กันหยงเด็กฝ่ายมัก็ลงจากเกวียนค้ำมา้าแล้วก็ถามเสียงเรียงน้ํากัน กันยงก็พูดว่าข้าพเจ้าประมาทไปยิงขี่เกวียนเข้ามาถึงมนเมีองเนี่ยท่านจะได้ถือโทษเลยถลิปีมันก็คลายโกรธก็พากันหยงเข้าไปหาเหล่าเกียงกันยงก็เข้าไปคํานับเปล่าเกียงแล้วก็พูดว่าเหล่าปีนั้นมีใจกรุณาแก่อนาประชารัศดรเป็นอันมากแม้นท่านตั้งใจประนอมต่อเหล่าปีโดยสุจริตเหล่าปี แต่นี้กรทําสิ่งใดแก่ท่านเราเกี่ยงได้ฟันดังนั้นกพระเอินยําเกรงรอบปีเป็นอันมากนี่ตรงนี้ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ท่านใช้คาว่าพระเอินคือว่าให้นี้ติดเคริบเคลิมหวาดกลัวแหละเขาถึงว่าเป็นคําขาดแก่ฐานน้ำพวงทีเดียวว่าอย่าให้ผู้ใดขับขวางเราเลยเราเกียงประกาศมาเช่นนี้เลย เราจะทะลุบำรุงอาณาประชาราษฎรทั้งตัวให้ได้รับความสุขสืบไปบัด น, นี้เราจะออกไปนกนอกแก่เล่าปีและหลับเพียงก็สั่งให้แต่แตงโตเลี้ยงกันหยงตามทุ่นินครั้งเลี้ยงดูเสร็จเรียบร้อยก็เอาตราสำหรับที่เรียกว่าตราประจำตาแหน่งเจ้าเมืองนะและก็สิ่งของอันมีค่าตระการแล้วก็พาทหารออกไปามับเหล่าปีนะักข่ เล่าปีเห็นดังนั้นก็ลงไปจูงมือเล่าเตียงขึ้นมาที่ข้างบนและเล่าปุ๊เล่าปีท่านก็ร้องไห้พรางว่าแกเล่าเตียงว่าตัวเรานี้มีใจสุดจริตคิดจะสนุกมัมฮงแผ่นดินไม่มีความสุขสูขไปซึ่งมาทำการทั้งนี้ก็เป็นด้วยความจำใจครั้นจะไม่ทำชนี้หรอกการซึ่งคิดไว้ก็จะไม่ตลอด ท่านต้องเห็นแก่แผ่นดินเพื่อในความเดือดร้อนอยู่นี้เถอะเดี๋ได้คิดถือโทษแก่เราเลยเราปีกล่าวเช่นนี้กับเรากริงความจริงนั้นก็เป็นความในใจของเราปีเองอย่างรึกซึ้งอยู่เหมือนกันก็เป็นความจำเป็นจําใจต้องกระทําเช่นนี้มันจําเป็นต้องกระทําในความเป็นพี่เป็นน้องกันนี้ก็มีอยู่ ก็ไม่อยากแกกระทำแต่ก็จําต้องทอําเช่นี้เอาเราปีก็กล่าวดวยดีเช่นนี้ลาวเตียงก็ตอบว่าธรรมดาผู้จะทะลุบำรุงแผ่นดินก็จําต้องทำเหมือนท่านนี้แหละข้าพเจ้าก็หาถือโทษใหม่แต่ลาวเตียงก็ออกตราสําหรับเมืองสิ่งของทั้งปวงอันมีค่ามามอบให้แกเราปีเราปีก็มีความยินดีรับตราสําหรับเมืองไว้แล้ว เกียงกวดเจริปีกับฐานน้าพวงเข้าไปในเมืองชายหญิงชาเมืองเสฉวนเห็นรอบปีอ่าเข้ามาในเมืองต่งก็มีความยินดีจุดธูปเพียนบูชารอบปีทั้งสองข้างทางละเพื่อรอบปีนี้ก็มีดีอันเป็นที่ยิ่งประการหนึ่งที่จะไม่ทําร้ายไม่ทำร้ายชาวบ้านรัศฎร น, นี่ก็เป็นเป็นเรื่องการชนะน้ําใจกันอย่างยิ่งอยู่ทีเดียว จะว่า เ, าเราปีเป็นข้าวเสองเฉสฉวนแต่ก็เข้าเส้กฉวนได้อย่างผู้ชนะเดยแท้กิงผิดรัสดรชาวเมืองเคารพนกบม้อมด้วยความยินดีเราปีนั้นครั้นมาถึงที่วัดจัการเห็นที่ปรึก ษ, ษานายฐานรอบเทียงมาคำมับเราปีซึ่งทุกคนเว้นแต่อุ้ยขวนและเหล่าปาสองคนนี้เท่านั้นทีนีไ้ได้มาคำนับฝ่ายทหารเราปีรู้จัก น, นั้น บางก็พากันไปจับตัวมีกวนและเหล่าป๋ามาฆ่าเสียบางจะทำแช่นั้นกันเหลาปีนี้ยินทานชวนกันนึงก็จิ้นแป้งสั่งว่าให้ฆ่าทั้งพวกพี่น้องด้วยและเหลาปีก็รีบตาม่านทั้งปวงไปรีบตามไปด้วยพร้นไปถึงบ้านมีกวนกับเหล่าปา๋าเหลาปีก็ห้ามผ่านทั้งปวงเข้าวัดและแกล้งร้องประกานหวังจะได้ยินให้ตลนหนักว่า อันอีกวนเหล่าป่านั้นมีความสัตยซื่อต่อผู้เป็นเจ้าเป็นนายยิ่งนะัดควรที่เราจะเรียบไว้สื่อไปอย่าให้ฐานน้ำพวงทํามันตรายแม้แต่ได้เส้นหนึ่งเข็นเล่นหนึ่งเป็นอันขาดทีเดียวถ้าผู้ใดไม่ฟังเราจะลงโทษถึงตายมีเหล่าปีประกาศกแกฐานของตอนอย่างนี้แต่ให้ด้ยินเข้าไปถึงดดาานู่นด้วยอีกวนเหล่าป่านเด้ฟังเหล่าปี่ร้องประกาศเช่นนั้น เขาปรึกษากันว่าเหล่าปีเนี่ยมีน้ำใจโอภ้อมอารีเหมือนคําที่เขาเรื่องรืจริงซะด้วยเหล่าปีชนะแล้วเข้าเมืองได้แล้วเช่นนี้แต่กับไม่เอาโทษแก่เรามีน้าซ้ํายังประกาศห้ามทหารทั้งปวงนิให้ทำร้ายทมันตรายแก่เราด้วยเช่นนี้ตกคงที่เราจะไปสารพิพากษ์หรทำราชการด้วยเถอะแต่ทั้งสองก็ชวนกันมาทำมาดเหล่าปี เล่าปีก็พาคนทั้งสองกลับเข้ามาและก็ตัานเหตุคงพี่อยู่ดังเก่าคงเบ่งคงเบ่งก็จินว่าแต่เล่าปีว่าอันมืองเสฉวนนี้ก็ราบคาบแล้วซึ่งจะเป็นเจ้ามืองเสฉวนอยู่สองคนนี้ไม่ควรท่านจงให้เล่าเนะตียนน่ะไปอยู่เมื อ, เ ง, ง, องเกงจิวเถิขคงเบ่งกล่าวดังนี้ซึ่งก็เป็นความจริงอยู่ในเสฉวน จะมีเจ้าเป็นสองเนี่ยกระไรได้ล่ะต่อไปขนณะก็จะขัดขืนมีอะไรที่ขัดข้องเกิดขึ้นแกักันเป็นแน่นะมันก็ยากแก่การจะปกครองกันต่อไปดีดีได้ล่ะคนเป็นแม่จะนี้รอบ ป, ปีก็จริงว่าตัวเรานะ่ะพิ่งเดินเรียนเฟชชวนครั้นถ้าเราเี่งไปอยู่ในเก่งจิ๋วคนน้ำพวงก็จะกระหานินพาเราวักแหลงเฟืง ไายไล่สมเหล่าเตียงไปกพื่จัดเมื อ, เ ง, องเฟชชวนชนขผมเวงก็ตีวัดเหล่าเตียงนั้น่ะเป็นคนมีความคิดน้อยอีกทั้งเป็นคนเสียอมน้ำใจแล้วด้วยเมื่อจะเอาไว้ในเมืองเฟชชวนนิจมานไปเดี๋ยวก็จะมีคนมายุยงเล่าเตียงเขาเหล่าเตียงก็จะฟังคําเขาและตัวท่าน ก็จะได้รับความเคืองใจของเบงกอชีเก่งโดยถูกโดยควรเช่นเนี้ยราปี่ก็ที่เหนชอบด้วยมีมาวันนึงลาปีก็เชิญลาเกียงมากินโต๊ะกันและก็ว่าแกลาเกียงว่าเราจะให้ทำไปอยู่เมืองกองอ๋อแต่ครมเบ้นะแม่ให้ไปดูเมืองเป็นคิวแต่ลาปี่นะ กล่าวว่าให้ไปอยู่เมืองกองอ๋องซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงเหล่าเพียงก็รับคําเหล่าปีก็้อ้แต่งตาตั้งเหล่าเจียงชื่อจิ้งหวีจงกุลให้เป็นตํนนาแหน่งนายทหารพาครอบครัวไปอยู่เมืองกองอ๋องซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งขึ้นแก่เมืองวังกุนในเขตแคว้นแดนเมือง เป็นจิ๋วและลาปีกดส่งตลาม น, นในแก่เลาวเกีย้ยนและก็ว่าดเงินทองทรัพย์สินสิ่งของทั้งปวงนั้นท่านจงเอาไปด้วยให้สิ้นเถอะเลาวเกียนก็รับตลานั้นมาล า, าปลวปีแล้วก็พาครอบครัวสมัครพักพวกและก็บผลข่าวของทรัพย์สิเนเงินทองทั้งปวงออกเดินทางจากเสฉวนไปยังเมืองกองอัน ลาตเมื่อได้มีเศสชวนแล้วนั้นบังดาที่ปรึกษาและทหารของเราเกียงนั้นเนระาปีก็ตังให้เป็นขุนนานฝ่ายทหารฝ่ายพลเรียนทั้งสิ่งแต่หัวเกีนงนั้นเป็นประหลัดมีเศษชวน ปีก็ตั้งให้คนเด่งเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่สำหรับฝั่งสอนเวอนอูนั้นให้เป็นเจ้าเมืองเก่งจิ๋วเตียวหิจูลง่งอุีเอียนหองตรงมาเฉียวห้าคนนี้เป็นพี่นายทหารเอกซึ่งเขียนนีปพวกขาเก่าเต่าเลี้งแต่เก่าก่อนติดตามกันมาแต่เมื่อโน่นเลยทีเดียวซึ่งเขียนกันยงบีตกมีทอง อ้วเนเต่งจิวช่เหล่าฮองเอี้ยวหัวมาเจ ก, กมาเลียงเกี้ยวอ้วนอีเกียอีเกียนีอือปิด ต, ตามมาแต่มีงฟินเอีย้ยวมึงเลยผู้คนทั้งนี้เนี่ยเราปีก็ตั้งให้เป็นคุณนานผู้ใหญ่ผู้น้อยตามเปนควรแล้วปูนบำเหน็จรางวัลเป็นอันมากแต่จี๋ช่อและอ้วเนเต่งนั้นให้ไปอยู่ช่วยจัด ก, การอ้วนอู เมืองเกงจิว๋วนะกีชองนี่เป็นทหารถือทวนเรียกว่าทหารของกวนอูอ่ะกวนเต็งนี่ก็เป็นลูกเลี้ยงกวนอู เ, อเรารอบปีก็จะอยู่กับกวนอูลและรอบปีก็จัดทอาจัดทองห้าร้อยข้างเงินั้า แต่บรรดาทหารวลซึ่งทุกคนคือปูนเหม็จกันท่วนท่วไปทีเดียวละครั้งเวลาช้าวันหนึ่งเปล่าปีก็สังให้อ่ฟังให้ไข ย, ยุ่งขานเอาข้าปลาหามาแ จ, จกจ่ายแก่ผ้าบ้านพลเมืองคุณ น, นางรัฐหารกับอนาประชารถนาในเมืองเคยช่วนนั้นก็มีความสุขหาอันตรายใดๆนี้่ได้ นี่ในเมื่อผู้ชนะได้กรททำที่นี่แกผู้แพ้ทั้งปวงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอันใดขึ้นบ้างก็มีแต่ดีถ่ายเดียวอะ่ะแต่ในรอบปี ก, ก็ฟังว่าเรือดสวนไห้มาสุ่งนี้ได้มีผู้ไดยจับจองธรรมาหากินนั้นก็ให้แบ่งให้แก่ผู้นานผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นกำลังกับา ก, การฝึกไปจีร่มงจีร่มงสุภาพุจเ ผู้ส่งไม่ค่อยจะได้พูดจาออกความเห็นแต่แต่ประการใดอย่งางไรบ่อยนักหรอกนาบัตเนี่ยอยู่ร่งก็ได้พูดว่าเงินเสฉวนนี้มีสึกรัศดรทั้งตัวก็พาดพร า, าพดจากผู้มีรำนาวที่ทามาหากินซึ่งเจ้าเรียกสวนไร้มาเข้ามาแบ่งปันให้แก่คุณนานผู้ใหญ่ผู้น้อยนั้นรัศดรซึู้เป็นเจ้าของก็จะได้รับความเบี่ยน ขอท่านจงให้ไปเปล่าร้องไพรบ้านประเมืินทั้งตัวว่าผู้มีคำเมาของใครเลือดสวนได้นาของผู้ใดก็ให้กลับเข้ามาทํามาหากินดังเกา่าเข้ามาครอบครองสมบัติของตนอย่างเดิมเถอะประกาดอนก็จะมีความสุขสูบไปมีจิวโล่งกล้าคัดค้านความคิดของเล่าปีเล่าปีแค่เนเอาที่ดินไร่ม า, านํามาแบ่งปันให้กับ คุณนายผู้ใหญ่ผู้น้อยแต่คืรื่องไม่ให้ทําเท่านั้นให้ไปประกาศของใครใครก็มาอยู่มาทํำกินกันไปดังเดิมเล่าปีเห็นชอบด้วยฝ่ายทหารใบ ป, ประกาศป่าร้องกระดกตนน้ำลงตามคำบิตรเรื่องว่านั่นและและเล่าปีก็พูดกับคนได้ว่ากฎหมายสําหรับเมืองเสฉวนนั้นเราเจะเลิกเสียให้หมดก็ขอท่านจงเร่งแต่งกฎหมายใหม่สําหรับเมือง แล่ให้ค่าโทษนั้นให้หนักขึ้นกว่าเกา่าคนทั้งปวงจึงจะกลัวเกรงจะได้ทําตามกฎหมายบ้านเมืองและบ้านเมืองก็จะราบคาบฝึกไปเราปี่กล่าวเช่นนี้กฎหมายนี้ให้หนักขึ้นกว่าเกา่าพวกจิ้นก็จริงหวังแต่ครั้งที่เจ้าหั่นโกโจได้ไดสรบัติสมบัตินั้นก็ให้แต่งกฎหมายคาโทษผู้กระทํำผิดไว้เป็นประมาณ มาจนถึงก็ได้ยิงเตะมาครั้งนี้เล่าปีท่านได้แต่งกฎหมายฆ่าพวกผู้ละเมิดผู้ทําผิดให้หนักขึกว่าเก่านั้นข้าพเจ้าเห็นว่ารัฐดอนทั้งปวงจะได้ความเดือดร้อนขอให้ถอนลงแต่พอประมาณตามกฎหมายเก่าเถอะท่านปลัดเมืองคูหเหวี่ยงว่าอย่างนี้ผมเล่หก็จิงว่าอันความคิดของท่านนี่ คิดเห็นนะเพียงคั้เดียวครั้งพระเจ้าหันโกโจได้แต่งกฎหมายไว้คายแล้วก็ได้คายกันต่อๆมาจนเป็นพระเจ้าเฮียนเตนเนี่ยถ้าเห็นว่าคุณานางและหวหน้าเนี่ปกติดีอยู่หรออันเล่าเกียงเรอกก็เป็นคนความคิดน้อยหาอาญาค่มขี่นได้แมรักผู้ใดถึงหาปติปัญญาไม่กดต่างแต่งให้ป็นขุนนางผู้ใหญ่ และที่นั้นมีน้ำใจกำเริบละเมิด ก, กฎหมายเสียคงเหมืองอนาปรัชราชดอนเอาแต่ตามมังเพิใจไพายบ้านพลเมืองด้วยความเดือดร้อนจนเสียเมืองครั้งนี้เราจึงจะให้เลิกกฎหมายเก่าเสียให้สิ่งตามที่เราตีว่าและให้คาดโทษแก่ผู้กระทําผิดให้หนักขึ้นหวังให้คนทั้งปวงตั้งใจเย็นชั่ว กระทำกันแต่ความชอบอันกฎหมายชนิดถึงจะตั้งโทษหนักไว้เท่าหนักในเมื่อไม่มีผู้กระทำผิดก็ไม่ใช่เป็นที่ร้ายกาศแต่ประการใดเผื่อใครทำผิดทำชั่วแล้วนั้นก็จำต้องรับโทษนั้นตามที่คาดไว้ให้จนหนักเพื่อบ้านมืองสงนั่นขุนนางรัตดอนผู้ใดกระทำตามความชอบมีบำเมศ เ็นแต่ความชั่วโทษทั้ที่จะได้รับ ก, ก็จะละความชั่วเสียคุนนานทั้งปวงก็จะไม่คมเห็นราษดรได้ราชดรนทั้งปวงจะละชั่วทั้งดีจะเป็นที่ดูยิ่งดูอย่างกระทาตามกฎหมายจะมีแต่ความชอบบ้า น, นเมืองจะค่อยปกติะงบสุขราบคาบก็เปวัชร น, นี เก่งเด็กฟังขนเบ่งทีแกงเกนนั้นเรื่องกฎหมายขึ้น์โทพโทมากโทกน้อยเนี่ยโทษน้อยนะี่แค่วรรษดอนจะดิจะดีอะไรขึ้นมาหรอกและพวกมากนี่สินี่แต่ดีเ่ิรรษดอนไม่กล้าที่จะกระทรําผิดหนักเกึ ง, งเด็กฟังขนเบ่งทีแจงแสดงเหตุกระนั้นแล้วก็เห็นด้วยก็หันไปขมับเหลราปีแล้หันมาขมับขนเบ่งแล้วก็ว่าชอบแล้ว ตีแต่งกฎหมายใหม่ตามธรมเมินแผ่นดินแต่ค่าโทษนะ่ให้นักขึ้นกว่าเก่าและค่อยแกะไปแกะเมืองโพรซีสิบหุเมืองขึ้นขึ้นแกเ่เสฉวนจาเมืองทั้งนั้นและยหุ้นเมืองตรีหุเมืองจะกรวาขึ่นเป็นเมืองอขึ้นต่อกันไปทา้งนั้นอีกร้อยเศษหุ้นเมืองก็กระทำตามกฎหมายนั้นสิราชดอนทั้งปวงก็มีความสุข นี่กว่าแต่กน อยู่มาวันหนึ่งเราปีออกวัดแกการก็มีคนไข้เข้ามาบอกแกเหล่าปีว่าบัด น, นี้อ้วนอือก็จะมึนเกิงจิ๋วสิ้วน อ, อือรเรียก้วนเตงมาทำนับท่านเหล่าปีก็เร็กหาตัวอวเนเตงเข้ามาอวเนเตงเข้ามาทำนับแล้วก็บอกเนื้อกลวัดอ้วนอือดีดาเข้าไปเจา้ามีความยินดีด้วยท่านปูนบำเน็จไปนั้น ทีนีเข้าปเจ้ากลับมาทำนมข้อหนึ่งนิดาเข้าปเจ้าสั่งว่าวันนึงอยู่มาวันหนึ่งเราปีออกว่าการก็มีคนไช้เขามาบอกแต่เล่าปีว่าบัดนี้อ้วนอูก็จะมีเกลียวสิ เมืออ่อูให้ควรเป่มาทำนับท่านรอบปีก็เอรอียกหาปูคนเป็นเข้ามาควรเป่งก็ามาทำนับแล้วก็บอกเนื้อ ค, ความอยากควรอูบิดาเข้าไปเจ้ามีความยินดีด้วยขันปูนบําเหน็จไปนั้นยิ่งที่ข้าพเจ้ากลับมาทำนับข้อหนึ่งบิดาเข้าไปเจ้าสั่งว่าได้ยินกิตติศัพท์เรื่องมว่ามาเขียวนั้นมีฝีมือกล้าหาญนักหาผู้เสมอนมิได้ มิดาท เ, เจ้าจะขอมาต่อสู้กับมาร์คเขียวนี่พอขวนยุนขางอูก็พี่เปียวหุยอ่ะ <c oughs> ออที่ที่บุบมีฝีมืนึ่ยก็เป็นเช่นนี้ส่วนมากนะ่มักจะเป็นเช่นนี้นะคะรับเลาปีได้ฟังก็ตกใจทีเดียวนี่มันจะการะไรกันหนักหนาเรื่องนี้ไม่เ่ย่ีเล็กเลย เราปีก็ปรึกษากับคงเบ้งทีเดียวว่าควรอู่าจะมาลองฟินนีกมาเฉียวเนี่ยถ้าผู้ใดเพี้ยงพร้มเขาก็จะมีพยาบาทแกกันต่อไปท่านจะคิดประการใดคงเด้งนั้นก็จริงว่าท่านยาวิตกเลยข้าเจ้าจะแต่งหนี้ฝืดมาถึงควรอูให้คลายอีกช้าลงให้จบได้นี่คงเบ้ ง, อ, งอ่านใจควรอูได้ชักเลยทีเดียว ดิจใจควนหึงชาอูนี่มีอีกขาอีกขามาเฉียวขึ้นรอบปีก็ถิอวอ่าท่านจะนิ่ชาอยู่ควนอูมาถึงเข้าเนื้อความจะฟุ้ง่านไปท่านก็แต่งเงินฝื้อวนเต็งรืกลับไปดูเร็วะผมงเ่งกแต่งเงนสื้อสังเตมกวนอูข้าวพันธุ์นี้แล้ก็ส่งให้กวเต็งกวนเ็นรับเงินือแล้วก็รอรอบปีกลับไปเมืองเก่งกิ๋ว กนเป่งกลับไปถึงเก่งจิ๋วแล้วก็เขาไปบอกเนื้อความแต่กวนอูผู้บิดาตามที่ได้หวากล่าวมาทุกประการก็เขาน่กซื้อนึกยื่นฮะกวนอูก็รับหนังสือของเบงมาเปิดผนึกออกอ่านดูเป็นความว่าข้าพเจ้าของเบงพออวยพรมาถึงจงกุนกวนอูด้วยเรารู้ว่าท่านมีความวิตกด้เรื่องม้าเขียวนั้นไม่ควร อันฟิ้นมีมาเฉียวนี้เปรียบเสมอแต่กับเปียวหีน้องท่านและการกลมศึกนั้นฟิ้นมีท่านเน่ยยิ่งกว่าม้าเฉียวเป็นอันมากซึ่งท่านจะละเมือนเกงขิวเสียเพียงจะมาลองฟิ้นมีกับม้าเฉียวนั้นไม่ได้เกือบมีอันตรายมาถึงเมืองเกงขิวโทษก็จะมีแก่ท่านซึ่งขาพเจะว่ามาทั้งนี้ท่านดำริดูให้จงควร มันสื่อคงเบ่งมีมาอย่างนี้ประสเสริญพอประมาณพอควรละ่ะแล้วก็หน้าที่มากล่าวอย่างด้งความสำำํำขำควรอูขันได้แกนี้สือนี้แล้วเนี่ยก็ยินดีก็คิดว่าคงเบ่งนั้นสมควรเป็นอาจารย์สั่งสอนเราก็ในสืนี่นยคุณนางถามต้องพวงดูอะแล้วก็วาดทีเดียว่าเป็นเดิราวิตกอยู่ว่ามาเฉียนีน่คืงมีกล้าหาญนะ กด็กใจมันอิจฉาเนะสิก็จึมีความวิตกเขามีพีมือกวา่าแต่ความจริงก็อยู่ด้วยกันชาวไทยคนเดียวกันบินจะเป็นกระไรแต่ความอิจฉาที่มันแฝงฝังหนักหนานี่สิมันมักจะทําลายเช่นนี้เนี่ยนี่กวนูก็ว่ามาโกงๆเดินแบบมาวิตกว่ามาเ่เคยมีฝี่มีก็้าหันนะคิดจะแคลนไปลองดูพีมือเนี่แต่บัดนี้เราก็สิ้นวิตกแล้ว เขาได้กล่าวเหตุการณ์ของทางด้านเราปีมามากแล้วเราปีได้เงินเฟซชวนแล้วต้องย้อนกลับไปพูดกันนิดหนึ่งหลังจากที่อตอนที่เราปีไปหาคนงดิ้งครั้งทหนึ่งครั้งที่สอง 2, จนครั้งที่สามจนได้พบและก็ยืนเฝ้าอยู่จนกระทั่งคองดิ้งลูกขึ้นมาพูดด้วย จะกล่าวด้วยว่าคำแรกประโยคแรกที่จะตั้นตัวให้ได้เนี่ยต้องเสฉวนบัตรนิ้แผ น, นท่านทีหนึ่งก็สำเร็จแล้วผมได้ดําเนินการจนกระทันหลายปีได้มีเสฉวนแล้วคราวนี้เราจะนกลับมากล่าวทางฝ่ายสุ่ม ก, กวนกันบ้างละทางฝ่ายสุ่มกวนในการต่างเนี่ยผมได้แจ้งกิติทราบว่าบัดนี้ เหล่าปีไปตีเมืองเสฉวนได้แล้วแล้วก็ส่งเหล่าเตี้ยงมาอยู่ที่เมืองกองอันเป็นเมืองน้อยๆขึ้นแต่เมืองลําอุนในแวดแคว้นใดเมืองเกงจิวคุณกวนก็ปรึกษากับคุณนางกระหวะเจ้าบัวของคุณปีเดีวว่าเหล่าปีนะขอยืมเมืองเกงจิวไว้เป็นที่อาศัยเราให้ไปทวงคืนครั้งใดเหล่าปีก็ขัดคืนอยู่ เราจะยกกองทัพไปตีเอาเมืองเกงจิว๋วจําได้ในครั้งนี้ท่านตั้งพูเห็นเมื่อการใดเกงจิ๋วก็ติวัดการศึกเ ม, มืองเราก็พึ่งจะสงบลงต่าแย่ฐานก็อีกโรยอยู่ถึงจะยกกองทัพไปตีเมืองเกงจิ๋วนั้นนะ่ะขอให้งดไว้ก่อนข้าพเจ้าจ ะ, จะคิดอ่านให้เราปีเนี่ยยกเมืองเกงจิวคืนได้แกท่านแต่โดยดีเอง เดียวเดี่ยวที่ปรึกษาผู้ใหญ่กล่าวดังนี้ป้าสุ้มควรก็ถามว่าท่านจะคิดตามประการใดอ่ะเดี่ยวเดียวก็อยู่ว่าอังเล่าปิงคิดทําการทั้งปวงทั้งสิ้นนะ่ะก็เพราะความคิดของของเบงก็อันขงเบงนนะั่นก็เป็นน้องจูกัดกินขอให้ท่านเอาครอบครัวจูกัดกินเนี่ยใส่คุกคุมขังวัดแล้วก็ให้จูกัดกินเนี่ย ว่าเล่าแก่ของเด็กให้เล่นคืเนเมืองเก่งจิ๋วให้าำเยอะโดยเร็วอุ้องเงินก็จะง่ายเพียงเท่านี้เิวเ๋วจิ๋วว่าอย่างนี้อืสุนกวนวก็จึงตอบว่าจู ก, กัดกิ๋งก็เป็นคนสับฟื้อแล้วก็หาความผิดใบมิตได้ครั้งเราจะกระทำเหมือนท่านว่าเนี่ยจู ก, กัดกิ๋งก็จะน้อยใจประการห น, นึ่งคนนุ่งวงก็จะกระรานอีกพาเราได้ เกี่ยวก็จริงว่าแม้ท่านจะทําแล้วนะ่ะก็จงบอกจูกัดกินซะก่อนถึงท่านจะ ท, ทําโทษครอบครัวจูกัดกินนะั้นแหะเป็นคนอุบายเท่านั้นดอกอย่าให้น้อยใจเลยจูกัดกินก็เป็นคนมีสติปัญญาก็จะทําตามคําท่านซึ่งคนเล็กฟางนี้ก็เห็นจริงเห็นชอบเลยละ่ะก็จึงเล็กหาจูกัดกินมาทีเดียวแล้วก็บอกเมื่ความตั้งครองตามด้วยคาเดี่ยวๆเนี่ มาเอามือเงินกิ่วด้ว่วิธีกระเนี้ยแล้วก็แต่งหนังสือส่งให้จู ก, กัรกินแล้วก็ให้เอาครอบครัวจูการกินเนี้ยมาจำสายคุกไว้จู ก, กัรกินก็รับหนังสือฉบับมันจากสุนกวนแล้วก็ลาสุนกวนออกเดินทางจากเมืองกลางตันไปสู่เสฉวนแล้วก็บอกนึกความตั้งพวงแก่นายทหารนายทหารคือวิเดินทางไปถึงเศษ ว, วนอ่ะ หรือเรื่องราก็ารวรบระดัดความมันจำฝัง่งเลยทีเดียวจูการ์กินมาถึงเฉยฉวนก็เข้าไปบอกแกทหารทหารเกาะเมื่อกวามไปบอกแกเราปีว่าบัดนี้จูการกินจะเข้ามาหาท่านเราปีได้แก้งดังนั้นก็หันไปถามขงเบ่งทีเดียวก็หันไปถามจูกัดเลี้ยงน่ะว่าจูกัดกินพี่ท่านมาหาเราเนี่ยด้วยเหตุสิ่งไรประการใดคนเบ่งก็ตอบว่า กวรใช้พี่กระเจ้ามาัดทวงเมืองเกง่งเกีวผมเบ่บอกอย่างนี้เลยคือประมาณการแล้วดาวได้ออกบอกเด็กถูกแล้วเราปีก็จึงถามว่าเมื่อเป็นชนนี้แล้วเนี่ยจะให้ตอบประการใดผมเบ่งก็ไข่เกิดฟิบอกแกเล่าปีโดยวิธีการเป็นเจรจาต่ตอต่อกับพี่ชายเกิดฟิบอกไว้แล้ว และผมเบ่งก็ลาออกไปคำมับต่อนรับจูกัรกินพี่ชายเข้ามายังปึกรับแขกเมืองเอาจูกัดกินเห็นหน้าจูกัดเรี้ยงก็หลงผมเบ่งน้องชายเนี่ยจูกัดกินก็ทำเป็นร้องไห้เอือดะอื่นเป็นอันมากผมเบ่งน่ยก็แกล่งถามว่าพี่มาถึงเสฉวนแล้วเห็นหน้าข้าพเจ้าแล้วเหตุใดจร้งรองไห้หมักหมกรณีหลั ดูกัดถินก็สะอึกสะอื้นทีเดียวเราก็จึงว่าแบบนี้สุนกวนก็จับมโบภรยาของพี่ไปจําไว้เห็นจะถึงแต่ความปลายสิ้นผมงเบงก็จิงว่าเป็นเหตุทั้งนี้ก็เพราะสุนกวนจะอํานงินเก่งกิ๋วขืนที่ไม่กระทําเช่นนี้นี่ผมเบงพูดอยนี้เลยแล้วก็ถามไปดูว่าแล้วที่พี่มาเนี่ย ซกวนให้พี่มาหรือว่าพี่หนีมาจู <c oughs> ่แก่กินพี่ชายก็บอกว่าก็าสุ่มกวนอ่ะใช้ให้พี่ถือหนังสือมาให้เล่าปีอ่ <c oughs> อ่ะคุณเบงก็จินว่าถ้ากรณนั้นพี่อย่าวิตตกเลยเราจะพากันเข้าไปหาเล่าปี่แล้วขกขบเจ้าจว่ากล่าวให้เล่าปีอ่อ่ะคือเงือเงเกงกินให้แก่สุ่มกวนผมไม่อยื่อย่างนี้ จูกระดิ่งได้ฟังวนนี้ก็มีความดีผมเบ่งก็พาจูกระกินงก็ไปขัดไม้เขาไปหาเหล่าปีละเขาไปถึ่งอกาะคมาเปล่าปีแล้วจูกระดิ่งก็นั่นซื้อของุนะู้คนอ่ะยื่นให้แกเหล่าปีเหล่าปีก็รับนังสือมาอ่านดูเป็นใจความวัดเดินเหล่าปีดีมเมืองเกงจิ๋วไว้เป็นที่อาศัยบั น, นี้ถึงสัญญาแล้ว พูดโกนจะคืนอมเงิน เ, เ ก, ก่งเกี่ยวคือจะขอเองินเก่งเกีวคือมีหนังสือนี่แหละเป็นความอย่างนี้ทีนี้หกหลงของเบ่งเ ก, กิดฟิกบอกรอบปีไว้แล้วเี่ให้ทําอย่างไรประการใดเนี่ยรอบปีพออ่านหนังสือจบแจ้งความมนัสือนี่นเรียบร้อแล้วเนี่ยอ่านหังสือแล้วก็โกรธทีเดียวก็ตอบตามคำที่ของเบ่งเ ก, กิดฟิกบอกไว้ทีเดียวว่า เดิมซุ่มกวนยกน้องสาวให้เป็นภรรยาเราเราก็ได้พามาไว้ในเมืองเก่งจิว๋วครั้งเรายกมาเมืองเสชวนนี่ซุ่มกวนนี่ได้เกรงใจเราทําอนลอ่อหลวงพาเอาตัวภรรยาเราไปไว้ในเมืองการตัง้บงบันนี้ยังซ้ําให้มาว่ากล่าวจะเอาเมืองเก่งจิ๋วคืนอีกล่ะซุ่มกวนคิดอ่านทําการทั้งนี้หาสมเป็นผู้ใหญ่มากเราคิดอยู่ จะยกทับไปรบเอาเมืองต่างให้ดับนี่เราปีแสนทำเป็นโกรธขึ้นมาอย่างนี้ละ่ะคือท่านจะทำได้ทั้นั้นผมไม่เคยร้องไห้เราปีก็ร้องได้ <c oughs> ผมไม่ให้เราปีโกรธเราปีก็โกรธเป็นเอาเร า, เราปีแสนทําโกรธกล่าวอย่างนี้ผมบึ่งผมบึ้งเด็กฝันก็ทําเป็นโร่ห้ทีเดียวแล้วก็กรําว่าจะเล่าปีว่า บัดนี้สุนกวนก็ให้จับบุตรภยาสมภพพวกของพี่ข้าพเจ้าเอาไปจองจําไว้ก็หวังจะเมืองเกงจิว๋วคืนถ้าแม้นไม่ได้คืนเกงจิว๋วก็จะทําำันตรายแก่ครอบครัวพี่ข้าพเจ้าบุตรภรยาของพี่ข้าพเจ้าให้ถึงแก่ชีวิตก็ถ้าพี่ข้าพเจ้าตายแล้วก็เห็นว่าข้าพเจ้าจะต้องตายด้วยหลาปีท่านจงเอนดู คือเมืองเกงจิ๋วแกซุ่มกวนเธอะจูกระกินกับข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตสุดไปคงเด่งทําเป็นบุตรอย่างนี้ราวปีก็แกล้งทำบิดผู้ไม่ยอมก็คงเด่งสอนด้วยเองแะนาะลาวปีก็ทําเป็นบิดผู้ไม่ยอมคงเบ่งก็ทําเป็นร้องหายอ่อนวอนราวปีอีกเป็นหมัดหนาช้าหนาราวปีก็จีว่าเมืองเกงจิ๋วเนี่ยมี โทรขึ้นหัวหัเมืองเราเสียไม่ได้พอเห็นแก่หน้าท่าเอาเถอะเราจะคืนให้แต่เนืองปียงฝาเมืองเลงเลงแล้วเมืองฮีเอียนฝาเมืองนี้จะแบ่งให้คุณกวนกล้นมนึ่งเราปิดทําเป็นขัดไม่ได้เสียไม่ได้จะคืนให้แถวนี้ผมแม่งก็ทําเป็นยินดีก็ทีว่าถ้าท่านเองดูดังนี้แล้ว จงแต่งหนังสือจูกลัดกินเถือไปถึงกวนอูให้แจ้งเถอะจะได้แบ่งเมืองสามตำบลให้แก่สุม้มกวนนี่จะต้องไปขอกับกวนอูอีกนะฮึเหล่าปีก็แต่งนังสือทีเดียวเป็นใจความอ่ะเหล่าปีให้ยกเมืองเตียงฟ้าเมืองเลงเหลงเมืองหูอเอีย ง, ง, ข, ง, มมงขึ้นแกเมืองเก่งจิ๋วให้แก่สุ่นกวนเอาคั้งแต่งหนังสือเสร็จก็ฟงให้จูกลัดกินแล้วก็วัด ซึ่งท่านจะไปหาอวนอูนั้นนะ่ะจงนกนอบว่ากล่าวแต่โดยดีนะดยน้ำใจกวนอูนนะ่ะบูวามร้ายกาบนะ่ะแต่เราเองน่ะก็ยังคิดเกรงอยู่เราปีบอกไปอย่างนี้มูกกะกินก็รับคำแล้วก็รับมันฝือนั้นออกเดินทางจากเฉวนเข้าสู่เมืองเกงจิว วานอุบาหรณประการใดอย่างไรเนี่ยยิ่งไรอย่างไรเราก็รู้อยู่ว่าขงเบงเหลาปีเหล่าปีขงเบงไมย่ยอมคืนเกงกิ๋วให้แกสุ่มกวนรกอกเอาแต่ก็ติกาทำกันมาแล้วเนี่ยถึงกับแซงร้องไห้ร้องหม่มต่างๆน า, าประการแล้วจะต้องอคืนเนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องเห็นมาบอกกับกวนอูนอีกด้วยเนี่ยออกจูกัดกินก็มาถึงเกงกิ๋วละปล่อยทหารพาก็ไปขมปกักกวนอู บอกเน้ความตั้งตัวงแล้วก็ส่งนันสือให้ควรอูกแก่ในหนังสือแล้วก็จริงหวางเล่าปีเตียววีกับตัวเราคิดร่วมใจกันจะทะุบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขอันรูเมืองตั้งตัวงแต่ก่อนมาก็ขึ้นอยู่ในพระเจ้ายินเตะบัดนี้คนทั้งปวงึ้่มีฝีมือเห็นว่าแผ่นดินเป็นจรา จ, จน ตางคนต่างก็ทําฝึกกําเริบแข็งมือวัดอันธรรมดาผู้ใดเป็นหุ้นเมืองแล้วก็ต่างใจทำราชการดยสุจริตแม้มีข้อรับสารมาประการใดก็ให้ตึงทิเคราะอบดูถ้าเห็นชอบก็ให้ทําตามแม้นผิดก็ให้บอกชี้แจงไปแก่ผู้ทนลุบำรุงราชการให้แจง้งบัด น, นี้เราปีพี่เราได้คืนเมืองสามตำบลได้แก่กลุ่กนกลัวนั้นไม่ควร รานี่ให้ทําตามคำเล่าปี่ท่านจงกลับไปบอกทุ่นกวนเถอะนี่กวนอูปฏิเสธอย่างนี้ยกเพจยกผมมาอ่านกันแล้วเนี่ยออกตางตัวต่างคนต่างใครต่างก็อยากจะเป็นใหญ่กันทั้งนั้นแหละจูกระดิ่งฟังกวนอูว่าดังนั้นก็อ้อนวอนทีเดียวว่ะท่านจงเอนดูกับขบเจ้าเถิดทุ่งกวนนะเห็นว่าขพเจ้ากับคงเบ่งเป็นพี่น้องกัน ได้กจับบุตรยางก็ไปจับไปจองจําไว้แล้วก็ใช้ตัวกบเจ้ามาทวงเงินเกงจิวถ้าไม่ได้เงินเกงจิวก็จะให้ฆ่าบุตรยางกบเจ้าเสียกวนอูนิดกอบคนตรงอย่างที่ฝึกตรงคนนี้เหมือนกันคนุณอูก็ตอบโทษไปเลยทีเดียวว่าที่ส่วนกวนทำตรงนี้เป็นคนอูบายหวังจะรู้เงินเกงจิ๋วให้ได้เท่านั้นชูกะกินก็คีดว่า ท่านเจรจาดังนี้เหมือนคนหาความคิดไม่เอาแล้วจู่กัดกินคงเบ่งเขาย้ํามาแล้วอับเหลาปีเขาย้ํามาแล้วนะว่าจะจะนบนอกว่ากล่าวแต่โดยดีมีจู่กัดกินไปว่ากวนอูอเป็นคนไม่มีความคิดเขาิกวนอูก็โกรคชักระบีเลยทีเดียวแล้วก็พูดอ่ะถ้าเราไม่คิดถึงคงเบ่งจะตัดสิษษทธิ์ไนแบบนี้ แต่นี้ไปตัวยามาว่ากล่าวหยาบช้าจะพร้อมเรมื่งนี้อีกถ้าไม่ฟังเราเราอดนี้ได้แล้วก็จะปักใส่ตัวเธอโกนอูเอาอย่างนี้วกนเปงก็เข้ามาห้ามเข้ามาห้ามบิดาที่เราอย่าทำวุ่นวายเลยจงเห็นแก่ขงเบ้งเถอะวกนอูก็ถึงว่าจู ก, กัดกินมาหยาบช้าแกเราเมื่อหากว่าเราคิดถึงขงเบ้ง หาไม่ก็จะตัดริสาเสบักเนี่ยยูกา ก, กินได้รับความอับรอยยับยิ่งนะัดก็กลับไปมือเฟชฉวนอีกออกเดินทางจากเกงจิ๋วกลับไปเฟชฉวนขณะนั้นก็พอดีขนเบ่งคุณทหารออกไปตรวจดา่านยูกัากินก็กลับไปหาเหล่าปีร้องไห้บอกเมื่อความตามผิดกวรอูขาดคันจะฆ่าลนตัดริสาตัวนี้แหละ เราความให้เราปิดฟังทุกประการเราปีก็ตอบว่าเราได้บอกท่านแล้วว่าน้ํำใจกวนอูนวูวามนะท่านจงกลับไปบอกท่านกวนไปโดยดีก่อนว่าให้งดอยู่ให้งดอยู่ก่อนเอาแต่เพราะว่าเรายกไปปีเมืองหันตงได้แล้วเราจะให้กวนอูนเนี่ยมาอยู่เมืองหันตงอันเมืองเกงจิ๋วและอู่เมืองทั้งกวงนะ เราจะคืนให้แกสุนกวนทั้งสิ้นละเราปีใช้วิธีการผัดผ่อนไปดังนี้อีกจู ก, กัดอิงก็ไม่รู้ใจว่ายังไรก็จำใจต้องกลับไปเมือง เนืความตามที่เหล่าปีกวนอูว่ากล่าวนั้นให้แกสุนควรฟังทุ้ประกาศสุงกวนเลยฟังก็โกรธก็จึงว่าอันเล่าปีกวนอูว่ากล่าวมาทั้งนี้ตจะเป็นความคิดของคงเด่นน้องท่านแหละสุงควรว่าอย่างนี้ชู ก, กัะจิ้งก็บอกว่าคมเด่นน้องขบะเจ้าก็เป็นทุกด้วยขบะเจ้า บวรรับปีบวรรับปีจึนสั่งให้กวนอูคืนเมืองสามตำบลให้ท่านพรั้งกบเจา่าถือหนัสือไม่กวนอูยังเก่งจิวกวนอูกโกรธไม่ยอมให้แล้วจะฆ่ากบฏเจา่า้ี่ชถบนี้ยึ่นกวรก็จริงว่ารับปีนั้นก็เลยออกปาคืนเมืองสามตำบลให้เราละเราจะแต่งทหารที่มีี่น้นมแไปรักษาเมืองสามตำบลไว้ จะดูทุวงทีกวนอูสิว่าจะทำประ ก, การใดอย่างไรต่อไปขืมควนฟังว่าจะไปยึดเมืองสารเมืองนั่นละอืมเขาเรียกว่ารักษาเมืองสารตำบลไว้นี่ดูกัดิ็จริงคือก็โกรธมากนะตัวเอ ง, องเดินเรียกว่าเดินไปเดินมานี่ไม่รู้ อนุญาตทางว่ากี่พันลี่กี่พันต่อกี่พันลี้กันนี่ไม่รู้แล้วจูกระจิงก็ถือว่าท่านคิดจะ่นนี้สมควรนะและสุขวลก็สั่งให้ปล่อยบุตเภยาจูกระจิงเนียเพราะออกแกล้งมามาขังไว้อย่างนั้นเ้ยเพื่อเห็นว่มันสมจริงสมจริงเท่านั้นน่ะแล้วสุขวลก็สั่งจับฐานที่มีที่มือไปรักษาหมือนศาลตำบลและนายฐานทั้งสามคนนั้นนี่คือว่ากันตามภาษาตัวหนังสือเนี่ยมันฉับพลังเหลือเกินแรงมาก ทหารมีสิมีไปรักษาหนึ่งสามตำบลและนายทหารหนึ่งสามคนนั้นก็กลับมาบอกข่งกวนว่าความที่ระยะเวลานี้ต้องเป็นหลายเืนทีเดียวอะกลับมาบอกว่าข้าพเจ้าไปถึงเมืนม่นแล้วอวนอูคุมทหารออกมาไล่รุกรานข้าพเจ้าแล้วท้าทายมิให้อยู่รักษาหนึ่งสามตำบลว่าแม้นผู้ใดค้าอยู่ล่วงวันก็จะจักฆ่าเสีย พวกกบเจ้าทั้งสามกินจำต้องกลับมาสามนายทหารไม่กล้าอยู่รักษาเมืองนั้นก็ลุงอูเล่นประกาศอย่างนี้เนี่ยเผชิญใครอยู่ช้าเกินหนึ่งวันนีจะจับฆ่าก็ต้องกลับมาเรียกว่าไม่สำเร็จสูนกวนเลยฝ่ายนั้นก็โกรธโกรธมากทีเดียวก็คิดไปถึงต้นเหตุคนสำคัญที่ให้ลุนเก ง, เ ก, งเกิ๋วเขายืนเนี่ย โลโซกไงบุญกวรฟังเรียกหาตัวโลโซกสามาทีเดียวแล้วก็จริงว่าเล่าปียืมเนิน เ, งงเกงจิงไวนั้นไม่ว่าไว้ว่าตอนได้เงินเสฉวนแล้วจะคืนเงินเกงจิ๋วให้และตัวท่านได้ลงชื่อไว้เป็นลายประกันด้วยแบบ น, นี้เล่าปีก็ได้เงินเสฉวนแล้วให้มาซื้อมา ว่าจะคึเมืองสามตำบลให้เรากวนอูขัดขวางไว้และทำอยากช้าดังนี้ตัวท่านเป็นนายประกัศ น, นะช่างนิ่งฟังเล่นอยู่ได้มีสุนควรเจ้าเมืองคนดุมกล่าวเอาดังนี้กับโลโซกนะโลโซกก็จึงพูดว่าใช่ขบเจ้าจะนิ่งเซนน้ำหามีดได้ เพ่อ ส, ว, ส ว, วรทําดังนี้เนี่ยข้าพเจ้าก็คิดคนอุมายไว้ข้อเห็นจะได้เมืองเกนจิ๋วโดยง่ายอูมายกันอีกแล้วส่งควรก็จึงว่าอูมายอุมายจะการใดอีกละโลโซก็จึงว่าข้าพเจ้าจะคิดให้ไปตั้งข่าอยู่นะปากน้ําเมืองเราให้ทหารสุ่มอยู่แล้วจะให้ไปเชิญกวนอูนเนี่ยมากิน เจ้จะว่ากล่าวเอาเมนเกงจิ๋วแต่โดยดีถ้ากวนอูขัดขวางอยู่ก็ใท่ทหารที่ซุมอยู่นั้นจับตัวกวนอูข่าเสียแม้กวนอูไม่มาสมความคิดข้าไเจ้าอันจงยกกองทัพไปตีอเมนเกงจิ๋วให้ได้เถอะโลศกบบัดนี้ก็ต้องเรียกว่าโลโซบนี่ก็อดไม่ไหวเหมือนกันอูไมายอูไมครั้งนี้ของโลศกจริงเป็นอูไม รวมแรงถึงประหัตประหารเลยทีเดียวละ่ะวางแผนฆ่าอวนหินขางอูด้วยวิธีอย่างเนี้สุมกลัวฟังโลโซกว่าะนีละ่ะก็เห็นชอบด้วยละ่ะและเห็นว่าโลศกกีกรเอากินเอาจังขึ้นมาแล้วถึงกับจะวางแผนฆ่าอวนอูนเลยนี่ก็จริงไอ้จัดแจงการทั้งปวงตามคําโลศกงามเป็กก็จริงว่า ท่านอย่าทนดูหมิ่งไปอันอวนอู น, นั้นฝีมือนะ่ะดังทหารเสือแม้ไม่สมความคิดก็จะกลับมาทำอันตรายเราหมิ่นงามไปกล่าวท่วงขึ้นดังนี้ด้วยความหวาดกลัวและเกรงโดยฝีมือวรอูอยู่นั่นแหละฝ่อควรก็กรอกทีเดียวก็จริงว่าจะให้คอยอยู่เมื่อไรจริงจะได้เมือนเก่งกิ๋ว่ะ และี่นันก็สั่งโลซกให้เร่งทำการตามแผนการที่คิดไว้และวือว่าส่งถามไปตั้งข่ายว้ที่ปากน้ำและคอยมินซื้อไปเชิญกวนอูมาละตามแผนแบบ น, นี้โลซกก็รับคำคำําบลาออกมาจัดแจงเรือและถามแตงพวงพร้อมแล้วก็ไปทอดอยู่น้าปากน้ำลกเขา่าขึ้นไปตั้งข่ายอยู่บนนก แล้วก็จะให้กำเหริหนึ่งริมองหนึ่งคุมอาหานสุ่มอยู่แล้วให้แต่งโต๊ะเตรียมวัดและจิงให้แต่งหนัสือไปเชิญกวนอูมากินโต๊ะแล้วก็จับอาหารู้จักการผู้จ้าพารตีที่ดีให้เป็นผู้ถือหนังสือไปยังเมืองเกงจิ๋ว เรื่แล้วเขาใช้คําอย่างนี้นะครับจัดทหารซึ่งมีพ้อยคําซึ่งมีพ้อยคำผีหนิงซื่อไปเมินเกงจิ๋วคือจะต้องจัดคนที่รู้จักเยอราชพาตีไปทหารแล้วก็ไปไปถึงเก่งจิ๋วก็เอ้าไปหาดกวนเป่งลูกเลี้ยงกวนอูตามความหนิงซือก้ อ, องโลโซนี่ก่อนละเอาว่าเป็นไปตามมันกวนเป่งก็พาผู้ถือนิงซือนั่นเข้าไปขมัดกวนอู แลวก่อนหนังสือนั้นนนยิ้มให้แกกวนอูกวน อ, อูรับหนังสือนั้นมาเปิดเป็นหนึแจ้งใจความในหนังสือนั้นว่าโลโซกให้มีหนังสือมาเชิญไปกินโตก๊กนณะปากน้าเมืองลกเขาหนี้ใจความอย่างนี้อ่ะเชิไปกินต๊ะกวนอูสะความจากหงสีอนี่แหะก็สังแกผู่วหนังสือนั้นว่า แขเร่งไปบอกแกโลศกเถอะพรุ่ง น, นี้เราจริงจะไปโกนูรับคำรับคำที่แก้าก้าวเข้าไปสู่ถ้ำเสือเข้าไปอยู่ในถ้ำเสือเข้าอยู่ในป่าหมีอย่างนี้หรือโวนูรับาำเราพรุ่ง น, นี้จะไปทหารทุเรนกอดคำนับลาโกนูกลับมาเมื่อทหารทุท้นไปแล้วโวนเป่งหลูกเร่งโกนอูก็ ว, ว, ว่าแก่กวนอูอะ ซึ่งโลศกให้มาเชิญบีดาไปกินโต๊ะนั้นนะ่ะเขาบ่เจ็นว่าจะเป็นคนอูบายเท่าเอดา็ดใดบีดาจิงรับคำเขาว่าจะไปอย่างนี้ละ อ, อูดูได้ฟังก็หวัวเราะทีเดียวแล้วก็ตอบว่าเหตุ้งนี้เนี่ยก็เกิดเพราะจูกะกินที่ชายหกหลงของเบ่งไปบอกแกสุนกวน พวกเราไม่ยอมให้เหมืองทั้งสามตำบลโยศอกทิงคิดกนอุบายเชิญเราให้ไปกินโต๊ะแล้วก็จะได้ทวงเอาเมืองเกงกิ๋วคืนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของสุนวนเมื่อเป็นแค่นี้ครั้นเราจะไม่ไปชาวเมือกงกัางสังจะดูหมิ่นว่าเรากลัวพรุ่ง น, นี้เราจะพาฐานไปยี่สิบคน จะเร็วไปกินโต๊ ะ, ะด้วยโลซอกต่ดูท่วงทีโลซอกสิว่าจะเกรงเจ้าเงาดิลมาทะที่เราถืออยู่ในมือนี่หรือไม่นี่คุณอู ก, กล่าวดังนี้กวนเป่งก็ถรงว่าอันตัวบิดาเนี่ยอุปมาเหมือนทองคำซึ่งจะร่วงเข้าไปในพวกโจร น, นั้นไม่ควรข้าพเจะเกรงว่าบึงเกงจิ๋วนี่จะมีอันตรายและเล่าปีก็จะ โบีดาขึ้นได้วนอูนนก็จึงตอบว่าเจ้ายวิตกเลยอันบีดานี้ก็มีฝีมือเรื่องนี้อยู่แต่ฐานโจโฉเป็นอันมากนับตั้งเป็นแสนก็บีดาคนเดียวและม้าตัวเดียวก็ยังนี้ต้องเก่าทันและอาวุธทันปวงเลยขับม้ารบผู้รวดเร็วเป็นหายตลบบุกประมาณเหมือนเข้าดงไม้ออก ออกดงพงแขนจะกลัวอะไรแกถามยิงกันต่างเพียงนี้เหมือนดังหนูอันหาสง่านีบ่าแรดีดาได้ออกปากไปแล้วว่าจะไปจะให้เสียวาจาใหญ่อุ่นอ่าอย่างนี้มาเลียงมาเลียงที่ปู้สามคนนึงที่ของเบ่งให้อยู่ใกล้จิ๋วนี่เนี่ยมาเลียงก็พูดกันว่าว่าท่านจะไปนั้นก็ไปเถิด แต่จงคิดระวังระวัยเลือจะมีอันตรายได้อย่าได้ประมาทเลยควรปิ้วัดขึ้นแผ่นกำชับดังนี้ก็ควรอยู่ตัวเรากับควรเป็นแต่คุมหาได้เั่มห้าร้อยมีแค่นี้สิคนก็เพิมเป็นห้าร้เพื่อความ